ติดตามเรื่องได้ถูกนะครับว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายวิตตกสองประการคือเคมะวิตกหนึ่งวิเวกาวิตกหนึ่งของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นไปเนืองเนืองดูความพิสูจทั้งหลายพระตถาคตมีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนวิตกนี้นั่นแลของพระตถาคตนั้น ผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนย่อมเป็นไปเนืองๆว่าเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์อะไรๆผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคงให้ลำบากด้วยการกระทำนี้ดูความพิสูจนทั้งหลายพระธถาคตผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดวิตกนี้นั่นแลของพระธถาคตนี้ผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัด ย่อมเป็นไปเนืองๆว่าอากุศลเราละได้แล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนอยู่เถิดวิตกนี้นั่นแหลของเธอทั้งหลายนั้นผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนจักเป็นไปเนืองๆว่า เราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนสัตว์อะไรอะไรผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคงให้ลำบากด้วยการกระทํานี้หมายความว่าทําอะไรแล้วจักต้องไม่เบียดเบียนใครเด็ดขาดก็คือมีกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นเองดูกรพิสูธาทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดอยู่เถิดนะครับยินดีในวิเวกนนะ วิตกนี้นั่นแลของเธอทั้งหลายผู้มีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความสงัดจักเป็นไปเนืองๆว่าอะไรชื่อว่าอากุศลอกุศลอะไรอะไรที่เราทั้งหลายยังละไม่ได้แล้วเราทั้งหลายจะละอกุศลอะไรนะครับนี่ก็เป็นข้อความในวิตักษสูตรนะครับทีนี้ครั้งที่แล้วเราได้ขยายคาว่า ตถาคตไปแล้วทีนี้มาขยายคําว่าอรหังมัางอรหังท่านบอกว่าเคยขยายแล้วในหนหลังคือคําว่าอารหังนั้นมี5ความหมายนะครับในอัตกถา ท, ทั่วไปอ่ะหความหมายนั้น1ไกลาจากกิเลสนะครับสองกจัดข้าศึกคือกิเลสนะข้อสาหักเี้กรรมแห่งสังสารจักสี 4. เป็นผู้ควรแก่สการะที่นํามาบูชาเป็นต้น5ไม่มีความลับในการกระทําบาป แต่ถ้าหากว่าในดีกาเป็นต้นจากอธิบายเพิ่มอีกหลายในนะครับทีนี้ชื่อว่าสัมมาสัมพุโทโธหรือว่าสัมมาสัมพุโทโธนะครับเพราะตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองท่านอธิบายไว้ว่าเพราะตรัสรู้ธรรมะที่ควรแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยพระองค์เองโดยไม่วิปริตจากอาการทั้งปวงแห่งธรรมะทั้งหมดนั้นนะครับ คือธรรมะที่ไม่วิปริตนะครับธรรมะทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยนะครับคืออะไรบ้างครับเช่นธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรกําหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งนะครับ น, นะด้วยบทนี้เป็นอันท่านแสดงถึงการบรรลุสัพพัญญุตยานอันได้แก่อนนาวรณญาณนะครับคือ คำว่าสัมมาสัมพุทโธก็คืออนนาวรณญาณหรือสัพพัญยุตยา น, นั่นเองนะครับสัพพัญยุตยานอนนาวรณญาณ น, นั่นแหละครับในพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธและสัพพัญยุตยานอนนาวรณญาณญาณทั้งสองอย่างเหล่านี้นี่นะครับก็ไม่มีผู้อื่นแนะนําไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีใครแนะนําเลยนะครับนี่ก็เลยไปที่หน้า268นะครับคือ ข้อความที่เหลือจากนั้นนะครับเป็นข้อความที่ชี้แจงของพวกสกะวาทีทั้งหลายนะครับในตรงนั้นเราก็ไม่ได้ไปเข้าใจผิดอะไรเพราะท่าที่จะต้องไ ป, ไปติดตามเรื่องขนาดนั้นในหน้า268กกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองตามสมควรแก่ความปรารถนาะ หมายความว่าประสงค์จะรู้เมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นต่างกรรมต่างวาระกันหรือตามลําลดับในที่เดียวกันอย่างนี้ว่ายยธรรมมีประมาณเท่าใดยานก็มีประมาณเท่านั้นถามว่ายานเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่ครับก็บอกว่าสิ่งที่ควรรู้มีเท่าไหร่พรยานท่องก็มีเท่านั้นแหละยานมีประมาณเท่าใดยยาธรรมก็มีประมาณเท่านั้นยยธรรมนะครับ ยานมียยธรรมเป็นที่สุดยายธรรมนั้นก็มียานเป็นที่สุดนั่นแหละคือสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็อบอกว่าสิ่งที่ควรรู้มีอยู่เท่าไหร่บางอานารย์สัมมาสัมพุท ธ, ธะของพระองค์ก็รู้เท่านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าสัมมาสัมพุโทโธนี่นะครับรู้ในขอบเขตที่หาประมาณไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาอุปมาเปรียบเทียบนะครับที่เคยได้ยินนะคําว่าสาครสาคร น, นะครับมีอยู่หลายอย่างใช่ไหมครับยานาสาครสังสารสาครใช่ไหม เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับก็เป็นลักษณะนั้นสามารถดูได้นะครับจากอัตสาลินีนะครับบทว่าทเทววิต ก, กาได้แก่วิตกสองอวิตกชอบนะรบหรือสัมมาวิตกเนี่ยนะครับสองอย่างนะคือวิตกนั้นถ้าโดยปกติแล้วเป็นชื่อของวิตต ก, กะเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทั้งหมดนะครับเวนทวิปัญจาวิญญาณจิตสิบแล้วก็เวน จิตที่เป็นทุติยะฌานเป็นต้นไปนะครับจิตที่เหลือมีวิตกเกิดร่วมด้วยหมดเลยแต่วิตกที่เป็นอกุศลไม่เอาวิตกที่เป็นวิบากน์ไม่เอาหั้นเอาวิตกที่เป็นไปกับอะไรครับถ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นวิตกที่เกิดร่วมกับมหากิริยาจิตทั้งหลายนะครับถ้าของพระอรหันต์นะในวิตก2 อ, อย่างนั้นชื่อว่าวิตกนี่นะครับเพราะตรึกหรือเป็นเหตุตรึกหรือความตรึกหมายค ว, าว่าเป็นตัวที่ทําให้ตรึกนะครับ วิตกนั้นมีการปลูกฝังอารมณ์เป็นลักษณะอนนะนะอภิโรปณะใช่ไหมครับอะภิโรปณะลักษณะนะครับมีการกระทบกระทั่งเป็นรถมีการนำจิตมาในอารมณ์เป็นเครื่องปรากฏนะครับเช่นวิตกสึงเรื่องใดก็เอาเรื่องนั้นแหละมาคิดนะครับวิตกมันเหมือนกับเป็นตัวที่ดึงจิตไปหาอารมณ์นั้นๆ น, น, นะนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเววิตากาเพราะทำวิตกนั้นให้เป็นสอง โดยประเภทแห่งวิสัยคือทีจริงนะวิตกเนี่ยนะครับจะนับหนึ่งก็ได้ก็คือสภาวะที่ตึกนั่นแหละครับแต่แบ่งออกมาเป็น2เนื่องจากอารมณ์เอาอารมณ์มาเป็นเครื่องแบ่งนะครับวิสัยนี่แปลว่าอารมณ์บทว่าสมุทาจรันติได้แก่ย่อมเป็นไปเนืองๆ เ, เสมอและโดยชอบก็อาการนี้มีความว่าขอบเขตหมายความว่ามีปกติเนี่ยนะครับให้วิตกเป็นไปกับ2เรื่องเนี่ยมากเพราะนกัน บทว่าตถาคตังอรหันตังสัมมาสัมพุทธังนี้โดยประโยคนั้นเป็นทุติยวิพัฒน์ลงในอาตแห่งฉัตถีวิพัฒน์เป็นลักษณะของไวยากรณ์มีอธิบายว่าวิตกสองประการของพระตถาคตอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ก้าวล่วงขอบเขตกันและกันและโดยชอบในวิสัยของตนของตนย่อมเป็นไปเนืองๆนะครับไม่ก้าวไกลกันนะแม้แต่วิตกก็วิตกคนละอย่างนะครับ ถามว่าก็อะไรเป็นวิสัยของวิตกเหล่านั้นหรืออะไรเป็นขอบเขตและวิตกเหล่านั้นไม่ก้าวล่วงขอบเขตแล้วเป็นไปเนืองๆ อ, อย่างไรนะครับคืออธิฐามถึงลักษณะของอารมณ์ที่พระ อ, องค์ตรึกนะหรือขอบเขตของการตรึกหรือว่าตรึกเนี่ไม่ก้าวล่วงอะไรไม่ละเมิดอะไรเนี่ยนะครับก็ตอบว่าวิตกสองเหล่านี้คือเขมาวิตกเนี่ยอย่างหนึ่งปะวิเวกาวิตกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ แบ่งอันนี้อารมณ์เป็น2ใช่มครัวิตกที่เป็นไปกับเรื่องเขีเขมะหรือปวิเวกะนั่นเองในวิตกสองอย่างนั้นเขมะวิตกประกอบด้วยกรุณาหมายถึงว่าวิตกที่เป็นไปกับกรุณาอย่างวิเศษของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยังได้ประกอบด้วยเมตตาและมุทิตาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขมะวิตกนั้นพึงทราบว่าเป็นส่วนเบื้องต้น และประกอบด้วยสมมาบัติคือมหากรุณาและสมมาบัติมีเมตตาเป็นต้นนะครับอันคําว่าเขมวิตกนั้นก็คือกรุณาสมมาบัตินะครับกรุณาสมมาบัติซึ่งกรุณาสมมาบัตินั้นก็เป็นหัวหน้าของสมมาบัติทั้งปวงในสายพรมวิหารนะครับคือเป็นประธานของเมตตามุทิตาและอุเบกขานั่นเองโดยที่มีมหากรุณานั่นแหละเป็นเป็นเบื้องแรกนะครับ ส่วนปวิเวกกวิตกนั้นเป็นส่วนเบื้องต้นและประกอบด้วยพระสมาบัติยังได้รับที่พยาวิหารธรรมเป็นต้นอีกคือสมาบัติที่เหลือเว้นจากพรห ม, มิหารนะครับเว้นจากพรห ม, มิหารซะหมายถึงเช่นพระสมาบัติฌานสมาบัติอย่างอื่นๆนะครับนั่นแหละเรียกว่าปวิเวกกวิตก น, นะ น, นะถ้าแบ่งแบ่งวิตกของพระพุทธเจ้าออกเป็นสองสายจะเห็นชัดว่าวิตกที่เป็นไปกับ พรหมวิหารเนี่ยอย่างหนึ่งวิตกที่เป็นไปกับสมาบัติเป็นต้นเช่นฌานสมาบัตรอรูปฌานสมาบัติผลสมาบัติเป็นต้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เขมวิตกะนะที่ไม่ใช่พรหมวิหารอันนั้นชื่อว่าตะวิเวกวิตกนะครับเรื่องที่พระ อ, องค์ตรึกเนี่ยสองเรื่องนะครับวิตกนั้นเป็นวิสัยของวิตกสองอย่างแม้นั้นด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นความเป็นไป แม้เป็นไปอยู่มากในสันดานหนึ่งด้วยการซึมแทรกเข้าไปในขอบเขตย่อมไม่มีเพราะเป็นไปในวิสัยร่วมกันตลอดเวลาในวิตกสองอย่างนั้นเขมาวิตกพึงให้แจมแจ้งด้วยการอย่างลงสู่พระกรุณาของพระผู้มีพระภาคนะครับทีนี้คือถ้าหากว่าจะอธิบายเขมวิตกให้ชัดเจนก็ต้องเอามาหากรุณาสมาบัตินั่นะแหละเป็นเครื่องอธิบาย ส่วนปวิเวกวิตกก็ให้แจมแจ้งด้วยสมาบัตทั้งหลายต่อไปนี้เป็นความแจมแจ้งในเขมะวิตกนั้นนะครับจะอธิบายลักษณะของเขมวิตกก่อนนะครับควรกล่าวถึงเขมะวิตกด้วยอำนาจปฐมฌานแม้ในสมาบัตในส่วนเบื้องต้นแห่งมหากรุณาสมาบัตด้วยการเห็นอาการมีความที่โลกสันนิวาตเป็นของร้อนเป็นต้น ด้วยไฟมีไฟคือราคะเป็นต้นนะครับโดยนายเมียที่ว่าโลกนี้ถูกเผาให้ร้อนมีแต่ทุกนะครับสังเกตดูนะครับว่าในที่นี้กล่าวถึงวิตกใช่ไหมครับเมื่อวิตกแล้วเป็นชานด้วยชานที่มีวิตกมีกี่อย่างครับอันเดียวคือปฐมฌานเท่านั้นเองนะครับปฐมฌานเท่านั้นแหละที่มีวิตกฌานที่เหลือสูงกว่านั้นไม่มีวิตกเพราะฉะนั้น ปฐมฌานที่ยังมีวิตกแต่เป็นปฐมฌานที่ประกอบด้วยมหากรุณาสมาบัตินะครับเพราะฉะนั้นจากข้อความตรงนี้ก็คือเวลาพราะองค์เจริญกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเจริญด้วยปฐมฌานนะครับปฐมฌานการุณาสมาบัตินะครับเพราะว่าฌานสูงกว่านั้นไม่มีวิตกแล้วนะนะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีปฏิสัมพิธามักนะครับมหากรุณา นะครับมหากรุณาสมาบัติยานว่าพระมหากรุณาในสาตร์ทั้งหลายอย่างลงแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นผู้ท้าผู้ทรงเห็นโดยอาการเป็นอันมากว่าโลกสันนิวะร้อนโลกสันนิวาสับสนวุ่นวายเดินทางผิดโลกชรานําไปไม่ยั่งยืนโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นอิสระไม่เป็นเจ้าของละทุกสิ่งทุกอย่างไปพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่ม เป็นาธาตุของตันหาโลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นนะครับไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยฟุ้งซ่านไม่สงบนะครับมีลูกศอนถูกลูกศอนเป็นอันมากทิ่มแทงปิดกั้นด้วยความมืดคืออวิชาถูกล้อมด้วยกรงคือกิเลสตกอยู่ในอวิชามืดตืถูกร้อยรัดนะครับยุ่งดุดได้ของช่างหูก้อยรัดเป็นกลุ่มเป็นก้อน เป็นดุดย้ามุงกระตายและย้าปล้องไม่พ้นอบายทุขติวินิบาตและก็สังสาระไปได้ทรงเห็นว่าโลกเนี่ยนะครับถูกเสียบแทงโดยโทษอันมีพิษคือวิชาเป็นโทษเพราะกิเลสรุงรังยุ่งเหยิงด้วยราคะโทสะโมหะถูกสวมมัดด้วยตันหาถูกขายคือตันหาเนี่ยครอบถูกกระแสคือตันหาเนี่ยพัดไป ประกอบด้วยเครื่องผูกคือตันหาหมกมุ่นด้วยอนุสัยคือตันหาร้อนด้วยความเร่าร้อนคือตันหาถูกความเร่าร้อนคือตันหาเผาผลาญสวมมัดด้วยทิฐิถูกตาขายคือทิฐิครอบถูกกระแสคือทิฐิพาไปประกอบด้วยเครื่องผูกคือทิฐิหมกมุ่นด้วยอนุสัยคือทิฐิร้อนด้วยความร้อนคือทิฐิถูกความเร่าร้อนคือทิฐิเผาผลาญเข้าถึงชาติ ติดตามด้วยชาราถูกพญาธิครอบงำถูกมรณะห้าหันตกถึงทุกห่อหุ้มไปด้วยตันหาล้อมด้วยกําแพงคือชาราวัวงไปด้วยบ่วงคือมัจจุนะครับกำแพงนะกำแพงคือมัจจุมีเครื่องผูกเป็นอันมากนะถูกผูกด้วยเครื่องผูกคือราคะโทสะโมหะมานะกิทิฐิกิเลสและทุจริตเดินไปในที่แคบมากนะครับแต่ที่ว่าทั้งหมดนี้ว่าใครครับ ไม่ใช่ว่าเราหรอครับรอ๋อเด็ครับจะเอาคนเดียวก็กะไลอยู่ใช่ไหมเอาหาพวกด้วยใช่ไหมไม่ใช่เราคนเดียวนะที่เป็นอย่างงี้ครับครับอ๋อสันิวัตสันนิวัตแปลว่าหมูสัตว์หมูนะไม่ใช่คนเดียวแต่ก็มีหนึ่งอยู่ด้วยในนั้นคือเราอย่างนั้นแหละครับเพราะนั้นเดินไปในที่แคบมากหมกมุ่นด้วยเครื่องผูกพันคืออันมากนะครับตกลงไปในเหวใหญ่ เดินไปในที่กันดานมากเดินไปสู่สงสารใหญ่หมุนกลับลงไปในหลุมใหญ่ตกลงไปในบ่อ ล, ลึกโลกสนิวาตนะครับถูกกําจัดนะครับร้อนด้วยไฟคือราคฆโทสะโมหะร้อนด้วยไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาทย่อมลําบากไม่มีที่ต้านทานเป็นนิสถูกลงอาดยาโจรชุกชุมผูกพันอยู่ในวัฏฏะปรากฏที่ตะแลงแกงว่าอยู่แดนประหารว่า ง, งั้นเถอะ ไรที่พึ่งหน้าสงสารอย่างยิ่งถูกทุกทิมแทงถูกเบียดเบียนตลอดกาลนานกำนัดอยู่เป็นนิดกระหายอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเลยนะเหมือนคนกระหายน้ำเหมือนกันนะบอดมองไม่เห็นตาเสียไม่มีผู้นำเล่นไปนอกลู่เดินไปผิดทางตกลงไปในห่วงใหญ่มกมุ่นอยู่ด้วยทิฏฐิสองปฏิบัติผิดด้วยทูจริตสามประกอบด้วยโยคะสี่ร้อยรัดด้วยเครื่องร้อยรัดสี่ยึดมั่นด้วยอุปาทานสี่ เข้าถึงคติห้ากำนัดด้วยกามคุณห้าถูกนิวร5ห้าทับทะเลาะกันด้วยเหตุวิวาทหกกำนัดด้วยหมู่ตันหาหกหมกมุ่นด้วยทิถีหกส่อสายไปด้วยอนุสัยเจ็ดนะครับเรียกว่าซ่านนะนะซ่านไปด้วยอนุสัยเจ็ดประกอบด้วยสังโยตเจ็ดเย่อหยิงด้วยมานะเจ็ดหมุนไปตามโลกกระถำแปดดิ่งลงด้วยมิชตะแปดประทุสร้ายด้วยบุรุษโทษแปดภูอาคาด้วยอาคาตะวัตถุเก้า ย่อหยิงด้วยมานะ9ก้ากำหนัดด้วยธรรมะอันมีตันหาเป็นมูล9เศร้ามองด้วยกิเลสวัตถุ10บผูกอาคาตด้วยอาคาตวัตถุ10บประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10ประกอบด้วยสังโยติสิบนำไปด้วยมิชตะสิบนะครับหรือดิ่งลงด้วยมิชตะสิบประกอบด้วยทิมิชาทิฐิมีวัตถุ10บประกอบด้วยอันตะคาหิกะทิฐิมีวัตถุ10บน่วงเหนียวด้วยธรรมะทําให้เนิ่นช้าคือตันหาร้อยแหมกมุ่นด้วยทิฐิ62 แล้วก็พองษ์ก็ใครครวนว่าเราข้ามแล้วนะแต่ว่าโลกยังไม่ข้ามเราพ้นแล้วโลกยังไม่พ้นเราฝึกแล้วโลกยังไม่ฝึกเราสงบแล้วโลกยังไม่สงบเราปลอดโปร่งแล้วสัตว์โลกยังไม่ปลอดโปร่งเราดับกิเลสแล้วโลกยังไม่ดับกิเลสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราข้ามแล้วเพียงพอเพื่อจะให้โลกข้ามบ้าง เราพ้นแล้วเพื่อให้โลกพ้นบ้างเราฝึกแล้วเพื่อให้โลกฝึกบ้างเราสงบแล้วเพื่อให้โลกสงบ er <พน S 2> บ้างเราปลอดโปร่งแล้วเพื่อให้โลกปลอดโปร่งบ้า ง, เร า, ง เ, เราปรินิพานแล้วเพื่อให้ผู้อื่นปรินิพานบ้างดังนี้อันนั้นก็เป็นมหากรุณาสมาบัติญาณของพระองค์หนึ่งในอาสาธารณญาณแสดงว่ายานอันนี้พระองค์เจริญมากนะครับบอกว่าเป็นวิตกที่เป็นไปมากสําหรับพระองค์นะครับ ที่ตรึกไปในสัตว์ทั้งหลายนึกในลักษณะ น, นี้นะแต่เวลานึกของพระองค์นี่เป็นไปกับปฐมฌานไม่ใช่นึกแล้วหอ่อเหี่ยวเศร้าซ้อยนี่ไม่ใช่นะครับขณะที่พระองค์กําลังเจริญแบบนี้เนี่ยพระองค์มีปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นะครับประกอบด้วยปีติสุขเกิดแต่วิเวกนะในขณะที่ตรึกแบบนี้อยู่ในขณะที่เจริญแบบนี้อยู่เป็นไปกับฌานจิตทั้งหลายก็การยังลงสู่พระเมตตาในสัตว์ทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้า พึงให้แจมแจ้งโดยในยะนี้แหละนะครับคืออาศัยกรุณาแล้วก็มีเมตาน้อมความสุขเข้าไปให้คือชั้นต้นก่อนเนี่ยเห็นว่าสัตว์เนี่ยน่าสงสารกันจริงๆเลยนะเสร็จแล้วก็น้อมนําความสุขไปให้ว่งงางั้นสัตว์นี่ควรได้รับความสุขสุขที่เกิดจากศีลสุขที่เกิดจากสมาธิปัญญาเป็นต้นควรได้รับความสุขทั้งหลายเหล่านี้นะชั้นต้นเห็นหน้าเห็นใจก่อนเห็นเขาหิวก่อนนะเออเขาหิวนะน่าเห็นใจเขาควรอิ่มนะไอ้ก็บอกว่าเออหน้าอิ่มนะน้อมไปแบบนี้เป็นเมตตา แต่บอกโอ้โหเขาอดอยากหิวห้อยนะแต่อย่างงี้ก็เป็นลักษณะของกรุณาน้อมความสุขไปให้เขาก็เป็นเมตตานะครับก็ครับขนาดที่เห็นเขาได้ปรับประสบความทุกข์แล้วคิดจะช่วยนี่เป็นกรุณาขณาที่ช่วยเป็นเมตตาคือขณะที่เห็นน่นหน้าสงสารมากนะครับจับจิตจับใจเนี่ยนะน้าเห็นใจจริงๆด้วยทุกโทษเหล่านั้นเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นกรุณา น้อมความสุขพี่สัตว์ควรนั้นนั้นควรได้รับเนะีเช่นะให้มีความสุขเธออย่างเงี้นะน้อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความสุขแก่สัตว์นั้นนั้นนนั้เป็นเมตตานะครับจริงอยู่แม้เมตตาน้อมนําความสุขซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์อันเป็นวิสัยแห่งกรุณาเข้าไปในสัตว์ทั้งหลายก็ยังเป็นไปได้นะครับเพราะเหตุ น, นั้นอัพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกจึงชื่อว่าเขมาวิตกในบทนี้นะครับ หมายว่าเห็นแล้วโอ้โหเขาทุกข์จริงๆนะน้อมความสุขไปให้คือเมตตานี่นะครับคือภาวะที่เป็นมิตรนะนะปรารถนาให้สัตว์นั้นมีความสุขนะครับส่วนกรุณาเนี่ยเห็นเขาทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นใกล้ๆกันนั่นแหละถ้ามีกรุณาก่อนแล้วเมตตาเกิดง่ายถ้ามีเมตตาแล้วกรุณาก็เกิดง่ายอยีกเหมือนกันส่วนปวิเวกาวิตกก็ับเนกข ม, มาวิต ก, ก น, นะนะทีนี้ถ้าสงเคราะห์สงเคราะห์เขมาวิตกกับ ปวิเวกัวิตกโดยวิตกสามนะครับเขมวิตกได้แก่อัพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกส่วนปวิเวกัวิตกได้แก่เนคขมาวิตกนั่นเองอันหนึ่งพื่ทราบความเป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาปฐมฌานอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งทิพวิหะธรรมและอริยวิหะธรรมแห่งปวิเวกัวิตกนั้นในปวิเวกัวิตกนั้นสมาบัติ วิหารธรรมเหล่าใดอันนับได้ 2, 400, 000, สองล้านสี่แสโกดส่งช้สอยทุกวันทุกวันของพระผู้มีพระภาคเจ้าะยานอันเนื่องด้วยสมาธิจริยาและญาณจริยาอันเป็นไปแล้วด้วยความประพฤตในกรและสมาบัตสองล้านสี่แสโกดและปัญญาของสมาบัติวิหารธรรมเหล่าใดท่านกล่าวว่าเป็นมหาวชิรญาณพึงทราบความเป็นไปเนืองๆแห่งปวิเวกวิตก ของพระผู้มีพระภาคด้วยอํานาจแห่งสมาบัติวิหารธรรมเหล่านั้นนะครับคือพระองค์เนี่ยวันวันเนี่ยมากไปด้วยสมาบัติว่า ง, งั้นเถอะแม้แต่ขณะแสดงธรรมอยู่นะพระองค์ก็เข้าสมาบัตินะครับเช่นพระองค์เทศเทศเทศเทศไปนะเขาจะอนุโมทนาการสาทุสาทุสาท่สามครั้งนะพระองค์กําหนดรู้แล้วเขาจะอนุโมทนาเข้าสมาบัติก่อนนะครับเขาเขาอนุโมทนาจบพระองค์ก็ออกมาแสดงธรรมต่ออีกอ ไม่ได้มานั่งเออนั่งยิ้มแฉ่งเออดีนะหมายเราพูดประสบความสําเร็จเห็นไหมเขาสาธุกันหมดเลยเขาตบมือดีใจให้เราหมดตอนนั้นนะพระองค์ไม่ได้นั่งฟังอยู่หรอกครับเข้าสมาบัตรมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละในขณะนั้นนะในขณะที่กําลังเทศอยู่นะสลับกับการเข้าสมาบัตรเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียวไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้านะครับที่จะมานั่งหลับนั่งซึมนีม่นี่หน่อยๆ อ, อะไรก็ไม่มีนะครับนั้นจะเข้าสมาบัตรเป็นต้นนะครับ อันหนึ่งเล่าพึงชี้แจงเนื้อความนี้โดยมหาสัจกะสูตรในสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอคีเวสนะเรานั้นแล่นั่งสงบจิตในภายในในสมาธินิมิตก่อนนั้นเราอยู่เป็นสุขตลอดกับเป็นนิดตนะคบตลอดเวลาเลยนะครับถ้าโพงเข้าสมาบัตินะนะจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำพระสูตรนี้เพื่อแสดงว่าเมื่อสัจกนิคันธบุตรกล่าวว่า สมณะโคดมมีรูปงามหน้าเลื่อมสายช่องพระทนเนี่ยสนิทเป็นระเบียบพระชิวหาอ่อนพระสุรเสียงไพเราะคงจะให้บริษัทพอใจด้วยเหตุนั้นจึงเที่ยวไปแต่ในใจของพระสมณะโคดมผู้เที่ยวประกาศให้รู้อยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีสมาธินะครับนี่นี่คือความคิดของสัจจการนิคนนะโอ้อาศัยว่าปากดีมั้งลิ้นอ่อนเสียงเพราะ ฟันเนี่ยเรียบสมำเส ม, มอผู้แล้วคนก็ถูกใจเพราะฉะนั้นเที่ยวกล่อมโลกคล้ายๆกันนักร้องอย่างเงี้นะแต่ใจเนี่ยไม่ได้มีความสุขความสงบอะไรหรอกอย่างนั้นเถอะโปงก็เลยตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนตะตถาคตมีได้เที่ยวประกาศให้บริษัทพอใจดุดจับโจรได้พร้อมทั้งของกลางแน่นอนตถาคตนี่แสดงธรรมแก่บริษัทมีจักรวาลเป็นที่สุดให้ความเหมาะสมไม่ซ่อนเรน้นไม่ติด ประกอบผลแห่งพระสมาบัตินั่นเองเพราะว่างจากการอยู่ผู้เดียวดังนี้ระหว่างแสดงธรรมพระองค์ก็มีการเข้าพระสมาบัติเป็นต้นด้วยนั่นเองนะครับจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดกาละโดยส่วนเบื้องต้นในขณะที่บริษัทให้การสาธุการหรือตรองธรรมะแล้วพระองค์ก็ทรงเข้าพระสมาบัติในขณะหายใจเข้าหายใจออก เข้าพระสมาบัติเนี่ยแค่หายใจเข้าหายใจออกนี่พงเข้าได้แล้วนะครับ